เริ่มขมโมยเริ่มเบียดเบียนกันเกิดขึ้นเพราะความโลภโลภอย่างแรกๆเนี่ยไม่ใช่โลภทรัพย์สินเงินทองเพราะสมัยก่อนไม่มีเงินทองโลภอย่างสมัยแรกๆโลภเพราะปัจจัยปัจจัยที่สําคัญในชีวิตโดยเฉพาะโลภเรื่องอะไรโลภเรื่องอาหารการกินนะกับอะไรสองอย่างที่ส่วนใหญ่เอ่อที่อยู่อาศัยบางทีแย่ง ที่อยู่อาศัยนะแล้วแย่งอาหารการกินกันความโลภตัวเนี้ยทาให้ในที่สุดอยากได้ของเขาอยากเอามาทีเยอะๆก็เลยเริ่มขโมยเริ่มโกหกกันเกิดขึ้นเนี่ยเนยคนคนมามาทําผิดศีลมาเสียศีลกันภายหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเป็นโบราณเป็นอะไรจริงแล้วเนี่ยเขไม่โกหกหรอกเนี่ยจระเข้เนี่ ย, เเยมันอยากจะกิน หัวใจลิงมันก็บอกตามตรงว่าอยากจะกินหัวใจลิงนะได้ยินแล้วพยาวานอนคิดว่านอกจากกระโจนไปอย่างเท้าที่ยอดหินนั้นเราก็ไม่มีทางอื่นกลับขึ้นฝั่งได้ฉะนั้นวันนี้เห็นทีเราจะต้องใช้กุศโรบายกับจระเข้ตัวนี้เสียแล้วเข้าใจคำว่ากุศโลบายไหมถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยแปลว่า อูอ่บายที่เป็นกุศลนะอุบายนี่หมายความว่าไงอุบายนะอุบายหลอกลอก่อนะวิธีการที่แยบยนต์แหมแปลได้เพราะนะวิธีการที่แยบยนตส่วนกุศลล่ะกุศลนะแปลว่าอะไรแปลว่าดี กุศลกับบุญนี่ต่างกันไหมเขาชอบใช้ติดกันบุญกุศลอะไรเงี้ยกุศลกับบุญนี่ต่างกั น, กนไหมกุศลนี่ก็เนี่ยแปลว่าความเจริญแปลว่าความดีงามแปลว่าอะไรต่างๆนะเป็นปัญญัยทางที่อะไรอะ่ะพัฒนาปัญญายังที่ทําให้มากขึ้นแต่ว่าบุญอแปลว่าอะไร อ่บุญก็แปลว่าเครื่องชำระกิเลสแล้วบุญเนี่ยรู้สึกหนักกว่าต้องต้องอะไรอ่ะมันมันต้องลำบากต้องอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ไม่สบายเหมือนเหมือนกุศลกุศลเนี่ยมันเหมือนกับทําไปในด้านที่อะไรอ่ะเป็นปัญญาทาไปในด้านที่ที่ ใช้ปัญญาแก้ปัญหาสู้ใช้ปัญญาสู้ใช้ในเรื่องของการประพฤติการปฏิบัติที่เป็นไปในทางที่ที่ดีกว่าที่สบายกว่าแต่บุญนี่บางทีโอ้โหหนักๆ น, นะคือคื อ, คอรู้สึกมันต้องโอ้โหอดทนต้องต่อสู้ต้องอะไรเนี่ยชำระล้างเผาผลาญกิเลสอะไรต่างเนี่ย มันมันรู้สึกมันมันยากกว่ามันลำบากกว่าแต่กุศลยี่สูงกว่านะกุศลเนี่ยสูงกว่าบุญแต่จริงๆก็เหมือนหมายถึงสิ่งที่ดีเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ากุศลนี่จะสูงกว่าอาจ น, นี่พอคิดว่าต้องใช้กุศโลบายแล้วจึงพูดออกไปอย่างชานฉล า, าดว่าดูนะอันเนี้ยดูว่าการใช้กุศโลบายเนี่ย ถือว่าเป็นการโกหกไหมอ่าอันนี้นะเป็นแง่คิดที่จะต้องดูเพราะว่าศีลข้อสีเนี่ยโอกาสที่คนเราผิดได้มากที่สุดถูกไหมผิดได้บ่อยที่สุดแต่การใช้กุศโลบายไม่ได้ถือว่าผิดศีลแต่จะพูดยังไงอะอย่างชาตฉลาษที่ทําให้ไม่ผิดศีลเพราะว่าบางทีปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ปัญหาแต่คุณจะพูดยังไงที่ทําให้สถานการณ์ไม่เลวร้ายลง สามารถแก้ปัญหาได้แต่บางทีพูดพูดตรงอย่างนั้นทีเดียวเลยมันแก้ปัญหาไม่ได้อะเผลอๆพังด้วยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพูดอะไรอะพูด อ, อ้อมๆบางพูดอะไรบ้างที่มันไม่ตรงทีเดียวแต่ว่าพูดไปแล้วทาให้สถานการณ์เหตุการณ์ดีขึ้นมาได้เนี่ยเป็นกุศลขึ้นมาได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากุสโลบายอุบายมันเป็นกุศลนะตอนนี้ พยาวานอนก็เลยพูดถ้าอย่างนั้นนะพูดกับจารเกะถ้าอย่างนั้นท่านจงอ้าปากให้กว้างที่สุดรอคอยเอาไว้แล้วเราจะกระโจนไปหาท่านคือคืออ ย, อยากจะกินหัวใจลิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นพยาวานอนก็เลยบอกเอา้าถ้าอย่างนั้นท่านนอนไว้นะแล้วก็อ้าปากไว้นะกว้างๆด้วยอ้าปากกว้างๆไว้แล้วเดี๋ยวเนี่ยจะกระโดนจะกระโจนไปหาเอง จราระเข้จะยินเช่นนั้นก็ดีใจมากรีบอ้าปากออกกว้างเต็มที่แต่ตอนนี้มันมีอุปนิสัยอย่างหนึ่งของจระเข้คือแสดงว่าพยาวานอนเนี่ยรู้รู้อุปนิสัยนี้คือว่าปกติของจระเข้นั้นในเวลาที่อ้าปากกว้างแล้วดวงตาทั้งสองจะปิดลงมันจึงมีสภาพเป็นจราระเข้ นอนอ้าปากแล้วหลับตาอยู่เอ่อฉลาดเมื่อเห็นสภาพของจระเข้เป็นเช่นนั้นพยาวานนว่านอนวานอนไม่ใช่วานนอน้วนะพยาวานอนก็เพ่นผลกระโจนออกจากเกาะทันทีเร็วราวกับสายฟ้าแลบพอถึงที่ยอดหินนั้นก็เหยียบลงที่หัวของจระเข้ อาศาัยอย่างเท้ากระโจนต่อไปจนถึงฝั่งได้ก็ก็ตามที่พูดก so ็จริงอะนะเพราะว่าตะกี้บอกว่าเนีบอกว่าอาปากไว้นะรอไว้นะอาปากรอไว้แล้วเราจะกระโจนไปหาท่านก็จริงก็กระโจนไปหาแล้วนะก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ผิดคำพูดที่ตัวเองพูดไปเลยอันนี้กว่าจระเข้จะรู้ตัวกระสายเสร็จแล้วจึงอดไม่ได เี่ยเก่าวยกย่องออกไปในการกระทําที่น่าอัศจรรย์ของพยาวานอนว่าดูก่อนพยาวานอนหากผู้ใดเหมือนกับท่านที่มีธรรมะสี่ประการนี้อันได้แก่ไม่รู้นะทําไมชมอย่างนี้พยาวานอนก็ไม่รู้นั่นเนี่ยจะโดนเหยียบหัวแล้วเออโดนหลอกอ้าปากแลก็เหยียบหัวก็โดนข้ามไปนี่นะโอ้โหแล้วยัง ยังชมพยาวานอนโอ้เก่งยังเลยฉลาดยังเลยแล้วก็เนี่ยเนี่ยแสดงว่ามีธรรมะอยู่สข้อเนี่ยนะคือหนะึ่งะธรรมะสี่ข้อมีอะไรบ้างนะหัวกันเนี่ยหนึ่งคือมีสัจจะคือมีการพูดจริงพูดจริงไหมนี่พยาวานอนพูดจริงั้ยพูดจริงไม่ได้โกหกนี่แล้วก็บอกให้อ้าปากไว้อ่าเราจะกระโดดไปหาก็กระโดดไปห า, าจริง สองคือมีธรรมะมีธรรมะคือมีอะไรธรรมะเดี่ยกี้มีสัจจาก็คือมีการพูดจรงิงมีมีความจริงนะสองมีธรรมะก็คือฮะไม่ใช่ธรรมะมีธรรมะเนี่ยธรรมะลีลาธรรมะอะไรเงี้ยก็คือธรรมะในที่นี้เขาเนี่ยเขาหมายถึงว่าการมี ปัญญาพิจารณาเหตุผลมี ม, มีมีการพิจารณานั่นเองนะอันนี้คือธรรมะนะมีสัจจะมีธรรมะมีทิติทิติก็คือมีความเพียรอยู่เสมอเสมอไม่ย่อย่อนไม่แบบว่าอะไรอ่ะไม่กลัวนั่นไม่กลวัวนี่นะมีมีความกล้าที่จะสู้กล้าที่จะขยัน เนี่ยเขาเรียกว่ามีความเพียรอันไม่ย่อหย่อนไม่ขาดตอนด้วยบางคนนี่ขยันจริงแต่ขยันไม่ได้พักเดียวสมมุติสมสมุติเจมีอยู่สิบวันเนี่ยนะงานเจอล้บางคนขยันจริงอ่ะขยันได้วันสองวันไม่ไหวพอออออันนี้นี่แสดงว่าขาดตอนละถ้าขยันจริงแล้วเราก็ต้องคือถ้าขยันจริงเนี่ยมันจะต้องมีธรรมะด้วยอ่ะคือ มีปัญญาพิจารณาใช่ไหมว่าจะทำยังไงให้มันยาวไปได้ครบสิบวันเน่ตามที่เรียวแรงตัวเองจะมีนี่นี่คือปัญญาพิจารณาใช่มมีมีสัจจะมีธรรมะมีทิฏฐิเนี่ยเยจะขยันไปได้โดยไม่ย่อหย่อนแล้วก็ไม่ขาดตอนส่วนที่ส่วนข้อที่สี่รู้อยู่แล้วต้องมีอะไรสี่คำนี้ฮะอุ้ยไม่เคยจะยินเลยเหรอ สัจจะธรรมทิฏฐิจาคะสี่ตัวเนี้ยมันมันเรียนกันอย่างนี้ของมันอยู่แล้วเออนะจาค่ะก็คืออะไรเนี่ยแหละคือมีมีใจกล้าที่จะสละจะเสียสละจะให้ปันคนอื่นเขาได้จะแบ่งปันเพราะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยกล้าหรอกนะบางทีนี่คุยอะไรก็ได้ตั้งเยอะแยะนะพอ ขอยืมเงินหน่อยจีชักจะคุยกันไม่ได้แล้วเออชักคุยกันไม่ได้แล้วนะตอนนี้ยิ่งบางคนเนี่ยขนาดว่าไม่ใช่ไม่มีนะมีนะมีแต่หวงไงมีแต่หวงไม่ค่อยอยากจะเสียสละไม่ไม่ค่อยอยากที่จะแบ่งปันอะไรให้ใครเขาเพราะฉะนั้นใจไม่ค่อยกล้าหรอกใจไม่ค่อยถึงเพราะะจ่าคาเนี่ยต้องเป็นคนที่ใจกล้าใจถึงจนกระทั่งถ้าจ่าคาไม่ต้องพูดถึงวัตถุนะเอ่ไม่ต้องพูดถึง ถึงเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมพูดแค่วัตถุธรรมธรรมดาเนี่ยคนที่เสียสละวัตถุวัตถุเนี่ยตั้งแต่ทรัพย์สินเงินทอนจนถึงตัวตนถึงร่างกายของเรานี่นะเสียสละถึงที่สุดเนี่ยนาจาค้าถึงที่สุดสามารถจะกล้าจาค้าได้ถึงขนาดไหนถึงอะไรอาเอาเอ า, เอ า, เอ า, เอาบอกแล้วเอาเป็ น, เ อ, เ, ป น, นเอาเป็นตัวตนเอาเป็นตัวตน ได้ถึงอะไรชีวิตมันมองไม่มีตัวตนเน่เราไม่ต้องไปใช้คาว่าชีวิตก็ได้แต่คืออะไรอุ้ยไม่เคยจะยินเลยเหรอสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสวสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตมันจริงๆงแล้วเนี่ยถ้าคุณลองสละอวัยวะนี่คุณก็ <c oughs> อ๋ออาจจะเสียชีวิตก็ได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยแค่ทรัพย์สินเงินทองยังไม่กล้าสละหมดเนื้อหมดตัวเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะมาบวชในพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยพระุทธเจ้าถึงต้องสละหมดเลยคุณมีมรดกคุณมีอะไรอะทรัพอะไรธนาคารมีในธนาคารมีฝากใครไว้ต้องเอาออกหมดเลยต้องไม่ให้เหลือเลยอย่างเงี้ย แค่วัตถุทรัพย์สินเงินทองต่างๆ ต, ต, ต้องสละออกหมดตอนนี้เมื่อมาออกบวชเนีย่ยคือพูดเรื่องออกบวชมันชัดไงมันไม่ใช่แค่วัตถุทรัพย์สินเงินทองแม้แต่คราเนี้อะไรเหมือนพระเวสสันดรเนี่ยสละอะไรบ้างอะเรื่องเรื่องตัวตนแล้วคราเนี้ร่างกายคนเราโอลูกบ้างเมีย บ, บ้างสละหมดมาบวชอย่างนี้พ่อแม่ คือญาติพี่น้องสละหมดเลยจนสุดท้ายสละอะไรคะนี้สละตัวเองเอาเอาร่างกายเนี้เอาชีวิตเอาเลือดเนือ้อแท่งก้อนเนี้ยใช่ไหมทิ้งจากความสุขแบบโลกโลกเข้ามาสู่ทางธรรมอันนี้เนี่ยแหละคือสละชีวิตละสละตัวตนร่างกายนี้มาเพสรสละสูงที่สุดเนี่ยก็ต้องถึงขั้นนี้ แต่สละชีวิตเพื่อเพื่อรักษาธรรมะหมายถึงหมายถึงอะไรความดีงามความถูกต้องแม้บางทีถ้าเราจะต้องตายเพื่อคุณธรรมเพื่อความดีเนี่ยสละได้และอันนี้ได้จริงๆนะถ้าปฏิบัติธรรมไปถึงแล้วยอมตายเสียดีกว่าอยู่อย่างอย่างอะไร อ่อย่างไร้ธรรมไร้ธรรมะเนี่ยอ้าวก็บอกว่าเนี่ยบอกว่านะดูก่อนพยาวรณ์เนี่ยหากหากผู้ใดเนี่ยเหมือนท่านนะคือมีสั จ, จะธรรมะทิติจาคะผู้นั้นย่อมพ้นภัยจากศัตรูไปได้นนก็กล่าวชมกล่าวจบจระเข้ก็ว่ายน้ำกลับไปยังที่อยู่ของตน พระาศาสดาตรัสเล่าชาดกนี้แล้วก็ทรงเฉลยว่าจรารเกในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในบัดนี้เมียของจระเกได้มาเป็นนางจินจมามิกาส่วนพยาวานนได้มาเป็นเราตถาคตเองนาชาดกเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆแต่สิ่งที่ให้แง่คิดกับเราเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของกุศโลบายคือเรื่องของสติปัญญา นะกับเรื่องของความที่มีใจกล้ายัางพยาวานอนเนี่ยเราชัดละเรื่องสติปัญญานะเห็นเห็นได้ง่ายเลยว่าเออรู้จักพิจารณาตั้งแต่ขั้นแรกก็คือรู้จักสังเกตดูเอ๊ะทำไมก้อนหินนี่มันใหญ่กว่าเดิมนี่คือเบื้องแรกเลยซึ่งซึบางทีเนี่ยถ้าคนที่เผลอๆนะไม่มีความละเอียดไม่มีความรอบคอบ บางทีก็อ่าก็กระโดดข้ามอยู่ทุกวันไงวันเอ้าวันนี้ก็กระโดดใช่ไหมจะอย่างนั้นเลยเนี่ยประมาทแต่อันนี้เนี่ยเออมีไหวพริบมีปฏิภาณรู้จักดูรู้จักสังเกตเพราะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างแรกต้องเป็นคนช่างสังเกตไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมหลับภูหลับตาหรือบางคนก็ไม่ถึงกับหลับผูหลับตาทีเดียวหรอกแต่ตาปบือ มาปฏิบัติธรรมแล้วตาปื้อๆนะง่วงๆมั่งนะซึมๆมัมปฏิบัติอย่างเงี้ยไปไม่รอดหรอกนจริงๆคนปฏิบัติธรรมต้องแวววายต้องมุทุพูเตอืมนะต้องมีจิตละเอียดอ่อนมีความแวววายใครเนี่ยถ้ามาถือสีมาปฏิบัติธรรมนะคุณงงงงแงแ ง, ง, งนะแล้วก็ไม่ค่อยรู้เลยนะไม่สังเกตไม่อะไรคุณตามหมู่กลุ่ม ตามพักพวกเพื่อนฝูงก็ไม่ทันหรอกวันที่เขาปฏิบัติเนี่ยเอา้าเขามีนโยบายเขามีแนวทางเขามีหลักการไปยี่ยี่แล้วคุณยังอย่างเดิมอยู่ของคุณเลยโอ้อย่างนี้เสร็จแน่ๆตามไม่ทันเพราะฉนั้นอันเนี้ยต้องจะสังเกตหรือแม้แต่บางทีเนี่ยเราเราเข้าบู่เข้ากลุ่มเขาเอาเรายังไม่ค่อยรู้อะไรอั น, นเนี้ยเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยชิตตะวันไปเยอรมันนะไปเราก็ ไม่เคยไปมาก่อนใช่ไหมเออพราะฉะนั้นคราวนี้ไปถึงอย่างแรกเนี่ยก็ต้องชางสังเกตและต้องดูล้วต้องดูว่าเอ้ยเขาทํากันยังไงบ้างและไอ้ที่เขาทําเนี่ยมันดีสําหรับเราไหมมันเหมาะสําหรับเราไหมเออถ้าไม่เหมาะสําหรับเราคราวนี้จะมีกุสโลบายมีอะไรยังไงที่เรานี่จะแก้ไขปัญหาที่อย่างน้อยๆเนี่ยเราอยู่ร่วมกับเขาแต่เราไม่ ต้องอะไรอ่ะลำบากหรือว่าไม่ต้องโดนเบียดเบียนหรือเราทาไปแล้วก็ไม่ถึงกับไปเบียดเบียนอะไรใครเขาอะไรเงี้ยเนี่ยมันต้องมีไหวพริบมีปฏิภาณพวกนี้เพราะจริงๆแล้วเรื่องของปัญญาเนี่ยในศาสนาพุทธนี่สุดยอดเลยนะแล้วคนจะถือศีลปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมเนี่ยเป็นพระอารหันต์ได้ปัญญาเป็นอาวุธ ที่จะมาใช้ฆ่ากิเลสสมถา น, นี่ยเล่นกดคมอะ่ะกิเลส ต, ตัวนั้นตัวนี้ออย่างเช่นนะสมมุติว่าเนี่ยอสมมติว่าเหมือนเหมือนสมมติเหมือนกับตั้ง ต, า, งตาบา้านเนี่ยไหมเลิกเบียร์เลิกบุหรี่ <laughs> สมมุตินะเนี่ยเราตั้งจิตจะจะเลิกเบียร์จะเลิกบุหรี่ใช่อะ่ะไอ้ตั้งจิตตั้งใจมันก็ดีแหละแต่ ไอ้ที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ามันล้มไม่ได้ใช่ไหมมันล้มได้เพราะฉะเราจะไม่ให้มันล้มจะต้องทําไงะจะต้องระมัดระวังจะต้องรอบคอบและใช่ไหมจะต้องประคับประคองป้องกันดูแลรักษามันอย่าให้มันล้มแล้วการป้องกันดูแลเป็นยังไงอ่ะสมมุตนะิถ้าเรายือนอยู่กับที่อย่างเงี้ยแล้ว เ, เราไม่อยากให้ลมซ้ายลมขวาลมหน้าลมหลัง З, จะท <departure> ําย <isters> ังไงก่อนอื่นฮะก่อนอื่นจะทํำไงยืนแล้วก็หลับตานิ่งๆใช่ไหมใช่ป่ะถูกก็บ่ะก็ถูกเหมือนกัน่ะถ้ายืนหลับตานิ่งๆนะพยายามตัวตรงๆไว้อย่างนี้เขาเรียกสมถะก็เป็นวิธีหนึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ถ้ายังพูดไม่อ่ะไม่ต้องยืนหลับตา แล้วก็ดิ่งๆก็ไวหลอเผลอๆเดี๋ยวก็เมื่อยก็ล้มเหมือนลืมตาก็ได้เห็นๆอย่างเงี้ยเอามองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมันมีอะไรหรือเปล่าล่ะมีอุปสรรคหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีใครจะมาผักเราหรือเปล่าเอามีอะไรนะ อ, อะไรอะ่ะจิงเหลียนจิงเกื อ, อแมงปอง ตะขาบอะไรโอ้จะมากัดเราจะมาเล่นงานเราอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถดูสามารถมองพิจารณาเพราะก่อนอื่นเนี่ยการลืมตานะแล้วก็ดูอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าสติมีสติที่จะดูระมัดระวังก่อนอันนี้เป็นตัวนําตัวแรกเลยถ้าคุณไม่มีสติเป็นตัวนําตัวแรกเนี่ยคือต้องรู้ตัวเพราะอย่าไปหลับตา ถึงศาสนาพุทธเนี่ยไม่สอนแต่สมถะถ้าสอนแต่สมถะเนี่ยก็แบบฤาษีหลับตาแล้วก็กดคมอดทนอดกัน้นมันจะเลิกเบียร์เลิกบรีเลิอกอะไรไม่กินไม่ดื่มไม่กินไม่ดื่มนะต่อให้คุณพยายามสะกดยังไงก็ตามแต่จริงๆแล้วในจิตเราเป็นไงไ อ, ไอ้ที่คุณพยายามกดมันเนี่ยนะมันเหมือนสปริงนักิเลสเนี่ยคุณพยายามกดมันแต่มันก็พยายามแหละ โอ้มันพยายามดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาเพราะฉนั้นเอาแต่กดอย่างเดียวไม่ได้ในขณะที่กดเนี่ยต้องมีกุศโลโบายคราวนี้พอเรามีสติเนี่ยเราคอยดูละอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆโอ้โหไปอยู่ในหมู่กลุ่มไปอยู่ในเพื่อนฝูงเขากินกันอะไรกันแบบอยู่ไหวอย่างเงี้ยนี่อยู่ไม่ไหวละมันควรที่จะปีกตัวออกมาหรือห่างออกมาเพราะเรายังไม่แข็งอะ่ะเรายังไม่เก่งคืนถ้าไปได้ ได้อะไรอ่ะได้พบได้เห็นแล้วเขาก็มาต่อหน้าเราเนี้ยอูย้เดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหวเพราะนี่เราฉลาดแล้วก็เรี่ยงออกมาหน่อยหลบๆออกมาหน่อยนะอย่าไปอะไรอ่ะอย่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกนี้นักอย่างเงี้ยมีสติรู้ตัวแล้วบางทีออกมาเพื่อมันไม่ให้ออกมาง่ายๆนะโอ้มันพูดอย่างนั้นมันพูดอย่างนี้ อ้างไอ้นนท์อ้างไอนีอน่บางทีเราใจอ่อนเราเสร็จเองอ่ะเพราะเนี่ยจะต้องมีกุศโลบายแล้วนะเหมือนเหมือนพยาวานอนเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ไงแล้วเมื่อเจอจร ะ, ะเข้มันอ้าปากอยู่แล้วมันก็ต้องคิดเราคนนี้เราก็ต้องอ้างบางอย่างใช่ไหมเราก็ต้องใช้กุศโลบายบางทีอ้างอ่าเออไปเข้าห้องน้ําหน่อยหรือไม่ก็โอ้โหวันนี้อะไรต้องรีบกลับบ้านพเนนพราะเหตุผลนั่นเพราะเหตุผลนี้ ตามจริงด้วยนะไม่โกหกด้วยนะเพราะเราก็มีสิ่งที่ต้องไปทาจริงๆเนี่ยแต่ว่าอ้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยหลุดพ้นออกมาจากไอ้ไอ้สิ่งที่มันยั่วยุเหล่านั้นอย่างเงี้ยมีสติมีความรู้ตัวแล้วก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาถ้าใครศึกษาพธชงเจดเนี่ยจะรู้ตรงนี้เลยตัวที่หนึ่งของพธชงเจดคือสติสัมพุชง เนี่ยจะต้องรู้ตัวพิจารณาเออพอพอรู้ตัวเสร็จอะไรตัวที่สองฮะธรรมวิจั ย, ยะเห็นหมเน่ยเนี่ยคือปัญญาเนี่ยแหละคือพิจารณาทันทีเลยแต่ตอนนี้แม้มีสมองพิจารณานะมีมีความรู้ตัวแล้วมีสมองพิจารณาแล้วตัวที่สามที่ขาดไม่ได้สามตัวนี้ต้องมาด้วยกันวิริยะคืออะไร โอ้โหเมื่อกี้ที่ที่แปลไม่แปลว่าความเพียรธรรมดามันอ่อนไปแปลว่าอะไรความขยันมันเพียรที่ไม่ย่อหย่อนแล้วก็ไม่ขาดตอนด้วยคุณถึงจะสําเร็จถ้าคุ ณ, <ม>คณขยันจริงนะแต่คุณเดี๋ยวเดี๋ยวก็ค่อยอ่อนอ่อนอ่อนแล้วก็ขาดตอนไปนะก็คิดจะทําอยูแ่แต่เดี๋ยวเด๋ยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนอย่างเงี้ยไปไม่รอด แ้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ติดอะไรแล้วจะเลิกเนี่ยส่วนใหญ่บางทีวันแรกสองวันแรกเลิกได้อหรือบางทีอาทิตย์หนึ่งเลิกได้แต่เดี๋ยวพอยาวไปหน่อยชักจะเลิกไม่ได้แล้ะเพราะไอ้ความภาคเพียนความพยันที่ตั้งใจที่จะเลิกมันเนี่ยมาเริ่มอ่อนตัวลงมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้ลดลงไม่ได้เลยต้องขยันทุกวันต้องภาคเพียนทุกวันจนกระทั่งเราสามารถที่จะ เด็ดขาดได้เลยคราวนี้มันมันไม่สามารถมาเบียดเบียนมาทำร้ายจิตใจเราได้อีกต่อให้ครานี้เห็นซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยนะจะมาชวนเราให้ให้กินให้ซูปให้อะไรต่ออะไรเอ้ยเราไม่เอาแล้วเราเลิกเด็ดขาดแล้วไม่ไปโหยหาไม่ไปอะไรวอวาไม่ไปคิดถึงมันไม่ไปเสียดมเสียดายอะไรมาอีกละและเห็นชัดเลยว่าโอ้โหเนี่ยมันเคยทำให้เราติดมันเคยทาให้เราทุกข์ ทำให้เราเมาทำให้เราเนี่ยต้องเสียเงินเสียทองทําให้เราบางทีเนี่ยต้องที่สําคัญที่สุดคือเสียใจคือเสียนิสัยนั่นเองเสียใจเนี่ยมันถึงว่าโอ้โหนิสัยเราเสียบางทีเมาเนี่ยไปมีปัญหามีเรื่องมีราวหรือบางทีก็เสียงานเสียการอ่เอพราะนั้นมันทําให้เราต้องเสียใจมาเยอะและ้วไอ้ที่เราไปติดเอง ไอ้อบายมุกไปติดอะไรที่เราไปติดติดมาเนี่ยเพราะเนี่ยพอเราพิจารณาเราเข้าใจอย่างนี้แล้ว เ, เราก็ขยันไม่ลดละเลยรับรองแค่สามตัวเนี่ยถ้าเราภากเพียรให้ได้นะเสมอเสมอทุกวันทุกวันทุกวั น, วนอะไรอะไรในโลกนี้เลือกได้หมดอะเลือกได้หมดอะในโลกเนี้ยจะเรื่องอะไรก็ได้เพียงแต่ ว, ว่าถ้าคุณไม่เก่งพอมันมันไม่ใช่ปูุกเดียวมันไปถึงยอดนี่ ใช่เราเลิกละเราเลิกมันก็เหมือนกับขึ้นบันไดอ่ะอ้าวน่คันที่หนึ่งขึ้นไปได้ละอ้าเดี๋ยวก็เก้าขึ้นขันที่สองคือมันต้องขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งยอดสุดถึงบอกว่ามันไม่ได้ปลุดเดียวเท่านั้นเองแต่รับรองถ้าใช้สามข้อนี้ทุกเรื่องในที่สุดคุณถึงยอดแน่นอนเลิกได้เรื่องไหนก็เลิกได้ทั้งสิน้น นะครับฝากวันนี้ฝากแง่คิดต่างๆเหล่านี้ให้พวกเรานะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราเอาไ ป, าไปาตั้งจิตเอาไปใช้ในความเป็นจริงของชีวิตเรานะพยายามฟังอะไรไปแล้วเนี่ยเอาไปนึกเอาไปคิดเอาไปพิจารณาต่อตามความเป็นจริงของแต่ละคนที่ใครเนี่ยจะต้องเจออุปสรรคจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้าง แล้วเราก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตเราแล้วคนนั้นน่ะจะประสบความสาเร็จในชีวิตเพราะจริงๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้ต้องยุ่งยากต้องอะไรมากมายหรอกเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะขาดสามข้ออย่างที่บอกแล้วเราก็เลยเบื่อเบื่อเซ็งเงแล้วก็ยอมแพ้มันจนในที่สุดก็ไปตามยถากรรมนะเหมือนกอสวะลอยตามน้าอ่ะน้าจะพัดไปที่ไหนก็พัดไป เราเป็นเพียงสวะเราเป็นเพียงสวะสวะนี่ อ, อย่างหนึ่งก็เป็นอะไรนะั่นนะไอ้อะไรนะต้นไม้อะเป็นพืชสวะอีกอย่างนึงหมายถึงอะไรเออหมายถึงเขาอยะหมายถึงอะไรที่มันไอ้นั่นนะอา้าวบางคนเนี่ยมันหมดอะไรในชีวิตเนี่ยแล้วมันจะดูถูกดูหมิ่นตัวเองเหมือนกับว่าโอ้เรานี่เป็นสวะ ระหว่าที่ลอยไปตามน้ำนะเรานี่ไม่สามารถจะทำดีได้เราไม่สามารถที่จะเอาชนะไอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไม่จริงหรอกอัตมาพูดบ่อยว่าคุณติดมาตั้งแต่เกิดแล้วคุณอูแวอูแ ว, อ, แวออกมาคุณติดเลยเหรอไม่ได้ติดเลยโธบางทีมาติดเมื่อไม่นานมานี้เองอ้าวใช่ไหมบางทีอายุสักเท่าไหร่อ่ะไปเรียนหนังสือตังหาจนกระทั่งโตมาถึงขนาดไหนอ่ะ แล้วถึงค่อยไปติดอ้าวเพราะนั้นมีเหลือจะเลิกไม่ได้เลิกได้อยู่แล้วเราไม่ได้ติดมันตั้งแต่เกิดแล้วจริงๆตั้งใจจริงๆเนี่ยนะมันจะเห็นเลยเห็นทุกข์เห็นโทษภัยเห็นอันตรายเห็นไอ้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเบียดเบียนร่างกายแล้วก็จิตใจเราอยังไงบ้างมันมีแต่น้ำทุกข์มาหาเราอะ่ะมันเห็นเลยว่าพอทิ้งไปได้โอ้โหสบายมากเลย เพียงแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยถ้าถ้าเป็นพวกที่ติดพวกพวกเล่าบุหรีพวกอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีสารเนี่ยสารพิษสารอะไรที่เราไปสะสมมาเนี่ยมันจะเรียกร้องภานนยในร่างกายแล้วมันอย่างน้อยๆ เ, เนี่ยก็ต้องอดเจ็ดวันสิบวันให้ให้สารพวกนี้มันก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆล้างออกไปล้างออกไปจากตัวไอสารพวกนี้มันหมดอะยิ่งบุหรีเนี่ยมีสารนิโคตินที่เรียกว่ามันจะ ทำปฏิกิริยาที่แอดมันเหมือนกับทําให้อยากอะ่ะทําให้อยากมันมันสร้างปฏิกิริยาพวกนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจนกระทั่งเนี่ยถ้างดไปให้ได้นะเจ็ดวันสิบวันแล้วเรามีสติเรารู้ตวัวเราเข้าใจพิษภัยของมันเนี่ยแล้วลอดให้ได้เขาถึงส่วนใหญ่ก็ให้กินน้ำเยอะๆพวกติดยาติดอะไรไปกินน้ำเยอะๆกินน้ำเยอะเพื่อที่จะเอาเข้าไปแล้วก็ไป ระบายไปถ่ายเอาพวกพิษอะไรพวกนี้ออกแล้วมันจะทำให้ให้ให้ความรู้สึกอยากพวกนี้มันลดน้อยลงคนใครอยากเกิดอาการพวกนี้กินน้ำไม่เยอะกินน้ำเข้าไปน้ำเปล่านะ <c oughs> กินน้ำเข้าไปกินเยอะเยอะยะยยอมีอาตมาสมัยเป็นทหารเกณฑ์มีพวกที่ติดยามันก็มาเป็นทหารเกณฑ์เนกันไงเสร็จแล้วโอ้มันอยากยาอยากยา เขาก็ต้องมีให้วิ่งให้ออกกำลังกายใช่ไหมก็วิ่งกันไปก็เป็นเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นแถวเลยอะวิ่งวิ่งไปมันอยากยามันก็ไม่มีแรงอ่งมันก็โอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วใช่ไหมไอ้ผู้คุมเขามาถึงก็อยากยาทักเหรอก็ถีบโคบคือ <c ười> <c ười> <c ười> <c ười> ถีบลงคลองไปเลยส่วนใหญ่เปนยาวิ่งเรียบคลองก็ถีบลงคลองไปเลยใ ห, ให้มันไปแช่น้าเย็นๆบ้าง <c ười> <c ười> ให้มันอะไรบ้างเนี <c ười> ่ยมันมันมันจะช่วย แกช่วยคลายเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าถ้าถ้าไอความรู้สึกพวกนี้เกิดขึ้นนะมันยังมีความอยากเป็นแล้วเนี่ยกินน้ำเยอะๆน้ำเปล่านะี่ยกินเยอะๆเลยจนกระทั่งเนี่ยพ้นเจ็ดวันสิบวันไปนะแล้วก็มีปัญญาพิจารณาพวกนี้ได้แล้วเนี่ยโอ้เลิกได้สบายมากเลยง่ายไม่ยากหรอกไอที่ยากคือคือมันเลิกแต่อะไรอะเลิกแต่มือเลิกแต่ปากอะ แต่ใจมันไม่ยอมเลิกนี่ไอ้อย่างเงียยาบางทีเลิกไปได้เป็นปีเดี๋ยวก็กลับมาติดใหม่เพราะใจมันไม่ยอมเลิกใจยังไม่เห็นเป็นทุกข์ไม่เห็นโทษภัยของไอ้สิ่งที่เราไปติดมาแต่ถ้าเห็นชัดแล้วเห็นโทษภัยอะไรมั่นชัดคุณเลิกได้แล้วเองคุณเลิกเลยมันไม่มีความอยากที่จะไปหาทุกข์มาใส่ตัวอีกพอเลิกได้แล้วมันสุขกว่ามันสบายกว่ามันเบาวกว่า ทุกอย่างเลยทุกประการเลยอ น, นะนเพราะนั้นฝากตรงนี้ไว้ว่าถ้าใครเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยรับรองจะเป็นคนที่มีปัญญาไวแล้วกจ่ใจกล้าอะวันนี้คงฝากไว้ท่านี้